ทุกคนทุกคนพยายามคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องเอาตัวของเราเอ ง, เองเนี่แหละเป็นที่พึ่งที่หวังถึงแม้ว่าจะมาอยู่วัดอยู่กูบาอาจารย์พระเจัากระรงแต่การอยู่ของพวกเราที่จะอยู่ด้วยกันมันมีเวลาน้อยอยู่กันไม่นานเท่าไหร่หรอก แล้วแต่ละท่านแต่ละคนก็จะต้องแยกย้ายไปด้วยความจำเป็นของแต่ละชีวิตของแต่ละอาภาพนั้นไม่เหมือนกันในที่สุดจะต้องแยกย้ายกันไปในเวลาอันไม่นานนะักเราทำยังไงที่จะเข้นแข่งที่จะยืนหยัดมีกาลังใจในการที่จะทำความดีอย่างที่เราเห็นแล้ว รู้จักแล้วว่าความดีที่จะทำนี่คืออะไรคือทำความสงบวิชารธรรมะของพระพุทธเจ้าเราพิจารณาเราทราบแล้วเห็นแล้วว่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดในชีวิตก็คือฝึกจิตใจของตนเองเ้วยสมาธิโดยวิปัสสนา ในเมื่อเรารู้แล้วอย่างนี้เรายินดีในการที่จะประพฤติธปฏิบัติความยินดีในการจะปฏิบัติอันนี้ให้รักษาไว้อย่าให้มันเปยนยินดีในขณะที่มีหมู่มีพวกมากเท่านั้นหมู่พวกอยู่หมู่คณะอยู่ครูบาอาจารย์อยู่พระเจ้าพระสงฆ์อยู่ร่วมกันแล้วเราจึงจะมีความอยากจะทำความอยากจะดีอย่าให้เป็นอย่างนั้น พ ย, ยายามให้มันเกิดเป็นความประสงค์เป็นความเจตจำนงของเราเองที่อยากจะประพฤติปฏิบัติให้จงได้การที่อยากจะทำความดีนั้นท่านพูดว่ามันเป็นศรัทธาศรัทธาศาสนาศรัทธาคือความเชื่อ ภาษาคือความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อนั้นมันเป็นภาษามันหมายความว่าเชื่อว่ามันดีแต่มีกรัทาคือความเชื่อเชื่อว่ามันดีภาษาคือความเลื่อมใสความเลื่อมใสนี่ก็คือเห็นดีด้วยเห็นว่าดีแล้วก็อยากจะดีด้วยนั่นแหละคือภาษาทะ แต่อย่างเราเห็นว่าคนนั้นดีดีจะอยากดีคือเขาไหมอยากดีเหมือนเขาไหมไม่อยากดีอ น, นั่นภาสาทะไม่มีเราเนี่ยให้มีศรัทธาภาษาทะในการที่จะบําเพ็ญความอักความเพียนทําความเจริญรุ่งเรืองจิตใจตนเองอยู่เรื่อยๆถ้ามีศรัทธาภาษาทะแล้วมันเป็นไปด้วยดีหรอกเพราะว่าเรารู้ดี เราฟังมาเยอะแล้วหลวงปู่เนเพศมาล้ายกันแล้ว่าทำความสงบเพศของหลวงปูุ่กๆกันทุกๆุเพศท่านล้วนแกจะให้เรานี่น้อมลงไปน้อมจิตของพวกเราลงไปเพื่อลงสู่ความสงบทั้งนั้นในบางที่ท่านบอกว่าเราสามารถฝึกจิตเนี่ย ในนี้ที่สุดได้ถึงขนาดทำให้เป็นสมาธิลงเป็นจิตเดิมลงไป็ัปรนาสมาธิต่อจากนั้นมันเป็นเรื่องของจิตที่มันจะกระทบกับเรื่องต่างๆแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาเองเรามีหน้าที่ในการที่จะประครับประคองจิตซึ่งกระสับกระส่ายดินน้นรนเพ่นพ่านไปทั่วนะ เรามีหน้าที่ประคับประคองให้แคกเข้ามาให้เหลือน้อยให้กระโดดลดเต้นน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดหยุดการกระโดดลดเต้นหยุดการเต้นผ่านไปนู่นไป น, นี่เนะียเรามีความสามารถประคับประคองมาจะเป็นควนจิตให้จะลงถึงความสงบจะเป็นอุปจ า, าระสวีจะเป็นอั ป, ปนาสวี จะเป็นฌานก็ดีเป็นสมาธิเป็นอะไรจิตจะมีหน้าที่เป็นของจิตเองหน้าที่ของเราตอนนี้ก็พยายามพยายามรวมพยายามจะล่อมพยายามประคับประคองให้มันไม่ไปไหนการประคับประคองเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยอุปกรณ์แสำหลักใช้ประคับประคองก็มีอยู่แล้วคือสติเช่นปัญญาเอาสติ มักกำหนดอย่างท่านบอกว่าตัาง้งสติกำหนดจิตตั้งสติความระลึกั้งสติกำหนดจิตก็คือระลึกว่าจิตของเรานมันอยู่ที่ไหนตอนเนี้จิตอยู่ที่ไหนพอเราระลึกเท่านั้นแหละจิตมันอยู่เลยมันอยู่กับตัวแทนทีอะไจิตเนี้ย ถ้าเราจะระลึกให้จิตมันอยู่ประลมหายใจก็จะเป็นเรื่องง่ายแหลระระลึกนิลมหายใจความรู้จักลมหายใจมันก็อยู่ตรงนั้นแหะความรู้จักมันอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นแ่ะจิตมันเป็นผู้รู้มันไปรู้ รู้ลมหายใจครับมันยังไม่มันยังไม่อยู่นิ่งมันไปเที่ยวรู้เที่ยวรู้ลมหายใจอยู่ท่านหลวงปู่ท่านบอกว่าจิตคือผู้รู้เอใจคือผู้รู้จิตคือผู้นึกผูกคิดเรากําหนดเรากําหนดจิตตั้งสติกําหนดจิตให้มาอยู่ที่ลมหายใจมันก็จะมาจับลมหายใจนี่มันยังไปจับอยู่ ยังไปจับอยู่อันนั้นเนี่ยเรียกว่าจิตอยูประคับประคองเบาๆไม่ต้องเอาอะไรนักหนาหรอกไม่ต้องทําหนักไม่ต้องบีบังคับอะไรประคับประคองเอาแค่พอรู้จักว่าอ่อนลมหายใจเรารับรู้ลมหายใจอยู่หายใจเข้ารู้จักหายใจออกรู้จักเอาแค่รู้เฉยๆเบาๆเท่านั้นแหละจิตมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงที่เรารับรู้เน่ย อีกสักประเดี๋ยวหนึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของมันเองหรอกที่มันจะลงสู่ความสงบมันจะวางวางแมแต่ข้างอารมณ์เดียวที่มันมีอยู่คือลมหายใจนันอันนั้นมันก็จะวางเองของมันแต่ถ้าเราไปบังคับไปจ้องไปจดไปจ้องมากเกินไปมันมันวางไม่วางไม่ได้เหมือนกันมันไม่วางผ่อนเบาๆสิ่งรับรู้เบาๆ เนื้อในที่สุดมันจะวางมันจะแอบวางเองคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับลิงเนี่ยลิงมันมีนิสัยมันอยู่บนต้นไม้มันมือซ้ายจับกิ่งนี้มือขวาจับกิ่งนั่นปล่อยมือซ้ายแล้วโผนตัวไปจับกิ่งนู้นมือมันจับอยู่เรื่อยในขณะเดียวกันมันก็ปล่อยอยู่เรื่อยเหมือนกันปล่อยมือนึงแล้วเลื่อนไปจับแล้วก็ปล่อยมือนี้ ไอ้ความปล่อยอยู่เรื่อยมันก็มีเรื่อนกันไอจิตเนี่ยมันปล่อยอารมณ์ปล่อยอารมณ์นี้แล้วไปอารมณ์นู้นนมันก็ชำนาญถ้าเราประคองไว้ที่ลมหายใจแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรไนหะมประคองไว้เบาๆดีเลยนั่งไปเดี๋ยวแหละมันจะวางมันจะวางอารมณ์มันจะวางอารมณ์ลมหายใจไนะ่นมันจะ คามรูลมหายใจนี้หายแวบก็เหลืออยู่แต่ตัวมันละครี้เหลืออยู่แต่จิดบางทีการวางนั้นอาจจะมีความรู้สึกบุบบาบมีความรู้สึกบาบหวางลงไปคล้ายๆกับเรามือเดียวเหนี่ยวกิ่งไม้อยู่แล้วแฉมมือเดียวเถอะวางก็อีกแล้วมันก็วู้น้องนั้นอาจจะมีบางคนอาจจะบางดวงอาจจะมีอาการอย่างนั้น แต่บางคนบางดวงมีบางดวงก็ลงไม่วูบขนาดนั้นค่อยลงก็มีเหมือนกันแต่ในที่สุดก็มันจะราโกว่าไม่ได้ไปรับรู้อะไรทั้งหมดแต่รู้ตัวอยู่ไม่ได้ไปรู้ลมหายใจที่เคยรู้เคยรับไปยรู้อยู่ไม่รู้แต่ว่ารู้ตัตอยู่ไม่ได้เถอนั่นะมันจะมีอาการอย่างนั้น ส่วนการที่มันจะวางมันจะวางลมหายใจหรือจะวางพุโทโธอะไรก็แล้ว แ, แต่ น, นั่นเป็นเรื่องของเขาเองถ้าเราคอยๆประคับประคองมาให้เขาอยู่อารมณ์เดียวอยู่เรื่อยๆโอกาสที่เขาจะวางแล้วก็ลงไปจู่ความผลเอกเทศของเขาส่วนตัวของเา่ามันก็จะมีเรื่อยๆเหมือนกันในที่สุดมันก็เลยชำนาญใครชำนาญใครเราก็ชำนาญในการประคับประคองกรล่อม ตอนมาเราะข้าประกองกันแล้ให้เราทำนานจนเขาก็ไปทำนานลงสู่ความสงบเหมือนกันประโยชน์มีมากถ้าได้ความสงบแล้วประโยชน์มีมากเราจะเจริญต่อไปภายหน้าจิตใจมันจะเจริญมันจะเลี้ยวฉลาดเพราะเพบความสงบนี่แหละทำมันลงสู่ความสงบใจบ่อยๆเจงจำนานมันจะไปที่ไหนก็สามารถกําหนดลงสู่ความสงบได้ จะเพ่งจะมองอะไ ร, รต่างๆให้มันเห็นชัดเห็นแจ้งมันก็เห็นชัดเห็นแจ้งได้จริงๆเ อ, อาฟังเทศหลวงปู่นั่งภาวนา